ตจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องมาช่วยกันสร้างศาสนาพุทธให้ถึงห้าพันปีโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่สิบสองกุมภาพันธ์สองห้าสามสสี่ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญทัติตาทั้งั่งได้นะบัดนี้ จับได้ดีทีเดียวแล้วก็ปฏิบัติมากองแปดไปกับสัมกับ ม, มาสังกัปปะสัมมาวาจาส ม, มากรรมันตะส ม, มาอาชีวะปฏิบัติไปนะมีทิฏฐิแล้วก็มีสติมีวายามนะมีความเพียรมีสติคุ้มครองตนให้เป็นสติสัมโพธชงแล้วก็พยายามปฏิบัติกันจริงๆกับทุกๆอิรียบทนะจนพัฒนาขึ้นมาเห็นเ็นเลย เพราะเราจะเห็นได้สังเกตได้เป็นคนเบิกบานแจ่มใสเป็นคนที่ อ, อยู่กระหมูฟูงมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเอื้อกูลเจื อ, อ, อ, อจานตัวเขาเองเขาก็ได้มรดกได้ผลของเขาจริงๆนั้นได้ประโยชน์ตนวจริงๆแล้วก็ได้ประโยชน์เพื่อนมากขึ้นมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดได้เจนอย่างนั้นนะนะแล้วก็เขาได้ตัวเขาใต้ตัวเจ้าตัวเขาได้แล้วคนอื่นก็ชื่นชมคนอื่นก็ต้องเป็นประโยชน์ด้วย คนอื่นอย่างน้อยในชื่นอฉกประโยชน์ที่เขาทําโดยตรงนะเขาเป็นคนมีน้ําใจมีคนเ อ, อื้อเฟื้อเจือจายเป็นคนสร้างสรรค์เป็นคนที่สร้างขึ้นมาเพื่อผู้อื่นแท้ๆนะ่ยมันโดยตรงอยู่แล้วแม้โดยอ้อมคนอื่นก็เห็นตัวอย่างเอาอย่างศรัทธาเลื่อมใสบูชาเคารพนับถื อ, อเพื่อที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นแบบเป็นอย่างที่ดีเนี่จะว่าโดยอ้อมก็โดยอ้อมนะแต่เราจะแล้วแต่ว่าเราจะผลักไปทางไหนถ้าผลักมาทางการศึกษาเขาเป็นผู้ที่เป็น ครูเป็นตัวอย่างโดยตรงผลที่ได้เป็นคุณค่าที่เขาสร้างโดยสมรรถภาพโดยความขยันหมั่นเพียรก็เป็นประโยชน์โดยอ้อมใ น, นเดี๋ยวว่าเราเอาทางประมัดถ้าเอาทางโลกก็เขาเป็นประโยชน์แต่ต่อผู้อื่นโดยการช่วยเหลือเฟือฟไฟเกื้อกูลจริงๆก็ถือว่าการเป็นครูหรือเป็นแบบเป็นอย่างเป็นครูนั้นเป็นตัวอย่างโดยอ้อม ก, ก็แล้วแต่เราจะจับประเด็ น, นอย่างไรมันก็ได้ แต่มืรู้เราเข้าใจแล้วก็รู้เนื้อหาแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนั่นสังคมของพวกเราทุกวันนี้นี่อาตมากล้ายืนยันได้เลยนะกับพวกเราว่ามันเป็นสังคมที่นําหน้าสังคมลำ้ลำดาหน้าพวกเราเนี่เป็นกลุ่มสังคมเป็นกลุ่มชุมชนที่ล้ําหน้าคนในสังคมเขาล้าหน้าไปหลายปีนะ อตาตมาว่าล้ำหน้าไปไม่ต่ำกว่ายี่สปีพวกเราเนี่ยล้ำหน้าพวกชาวโลกเขาเนี่ยล้ำหน้าพวกคนในโลกในชุมชนในประชาชนทั้งหลายล้ำไปไม่ต่ำกว่ายี่สปีพวกเราเนี่ยอตาตมาว่า20ปียังประเมินข้าน้อยไปหน่อยนึงหรือซ้ํามันน่าจะ30ปีพวกเราเนี่ยนำหน้าเข้าไปในสามสิบไม่ใช่20่สหรือซ้อํารอกแต่ว่าเอาละ20ก็เดี๋ยวจะหาว่าคุยมากคุยไม้แค่20ก็ได้นําหน้าเข้าไป20หรือ30ปีในพวกเราเนี่ย กว่าเขาจะรู้สึกกว่าเขาจะเข้าใจกว่าเขาจะเห็นทางว่าอย่างพวกเรานีไ่ไม่ได้ทําผิดไม่ได้ทําผิดเลยเป็นคนทําถูกและต้องทําอย่างนี้จึงจะเป็นผู้รอดใช้สํานวนของทางคลิปเขาเรียกว่าผู้รอดทางสํานวนทางภาษาพุทธเขาเรียกว่าผู้หลุดพ้นผู้พ้นภยัยพ้นทุกข์ถ้าทางคลิปเขาเรียกวผู้รอดเป็นถึงจะถึงจะรอดถึงจะเป็นผู้รอดนะรอดคืออะไร หลุดพ้นคืออะไรหลุดพ้นจากขั้วของโลกีหลุดพ้นจากแรงดึงดูดของโลกีหลุดพ้นจากทุกๆกร้อนร้อนวุ่นๆุ่นวายว า, ยวายอย่างโลกีอย่างโลกโลกอย่างที่ปุตุชนเขาเป็นเนี่ยเป็นความหมายที่ชัดเจนแล้วเราเป็นอยู่สุขไหมเป็นอยู่สุขแล้วชีวิตเรามีคุณค่าไหมมีคุณค่าเป็นอยู่สุขนะ สุขจริงๆนะไม่ได้แกล้งในปฏิบัติจริงแล้วไม่ได้แกล้ง science, technology. เราเคยสุขอย่างโลกียสุขได้สมใจได้ลาบมาสมใจกับสุขได้ยศสมใจได้สันเซินสมใจได้เสพโลกียสุขทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพื่ผัดนอกสัมผัสในยังได้สมใจตัวก็เป็นสุขอย่างนั้นก็สศกอย่างโลกเราก็เข้าใจละหลังโลกแล้วเรามาเรียนรู้จริงๆแล้วเราเลิกละเลิกละเออโลกโลคียสุขอย่างนั้นอะ ที่เป็นอัศะถ้าเป็นรสนิยมอย่างโลกโลกอย่างนั้นนะ่ะเรียนรู้แล้วเราก็เลิกจกนกระทั่งอารมณ์หรืออาการสุขเป็นสุขเวทนาอย่างนั้นหายไปนะไม่มีสุขเวทนาอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่เรื่องง่ายนะใครที่ปฏิบัติมาแล้วพิสูจน์ของตัวเองตรวจสอบดูสิตรวจสอบของตัวเองดูสิว่ารสอร่อยแบบโลกโลกอย่างนั้นมันไม่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแต่ก่อนนี้มันอร่อยแลยนะ้วจี๋จ๋าเลยโอ้ นะเนี่ยอย่างเงี้ยนะส้มตำโอ้โหแต่ก่อนนี้นะต้องส้มตํารสที่ชอบนะต้องใส่เงี้ยงี้ยนะเปรี้ยวเท่านี้หวานเท่านี้เค็มเท่านี้เผ็ดเท่านี้อะไรเงี้ยนะแหมถ้าได้รสกําลังเหมาะที่เราเองเรายึดติดหรือว่ากําหนดว่าจะต้องเหมาะใจขนาดนี้เนนะแต่ละคนไม่เท่ากันเท่าไหร่มันอร่อยจริงๆแหมแซ่บอิล่ลินะชื่นใจอาการนะั้นเกิดที่จิตเรา แต่เวลาเราได้ละลางเลิกไปแล้วจริงมันไม่มีหรือแม้แต่พวกคุณผู้หญิงนี่มั่งนี่แต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยโอ้แต่ก่อนนี่ไม่ได้นะเห็นเสื้อสวยนี่มาแห่น้ำลายไหลมันอยากได้ยังงนอย่างงี้แฟชั่นใหม่มาเนี่ยโอ้อยากจะได้มาใสาแล้วเกินได้มาใสาแล้วโอ้มันฟูใจมันอร่อยมันภาคภูมิมันเป็นสุขนะมันเป็นจริงที่อาการอารมณ์ที่ในจิตแต่พอเรามาปฏิบัติแล้วปฏิบัติจริงๆแล้ว มันมันลดลงไปจริงๆแต่ก่อนนี่มันเหมือนคนบ้าจะเห็นเลยว่าเราเหมือนคนบ้าไปหลงเลอะเลอะเถอะเถอะตามเขาหลงต้งแต่ที่เราไม่ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วพอได้แล้วเราไม่ต้องเป็นอย่างนั้นน้องไปต้องไปแย่งไปชิงอะไรเขาอยู่ตามพอามสควรเสื้อผ้าไม่ต้องไปสวยขึ้นขนาดนั้นก็พอใจแล้ว หนักๆเข้าจะเหนียมด้วยซ้ําไปถ้าให้ไปใส่อย่างนั้นถ้าให้ไปมีอย่างนั้นไปทําอย่างนั้นด้วยเนี่ยเหนียมด้วยซ้ําโอ๊ยอายแต่ก่อนนี่เราไม่รู้นะั่นแต่ก่อนนี่นึกว่าเรานี่หมายหน้าอวดหน้าโชว์หน้าทําเดี๋ยวนี้เรารู้สึกตัวอืหน้าอายนะเป็นอย่างนั้นด้วยซ้ําจนสุดท้ายก็วางเฉยเห็นได้จริงๆไม่มีรถนั้นจริงๆ ใ, ในใจที่ตามายหยิบมาพูดนี่พวกคุณจะต้องพิสูจน์ต้องตรวจตราจริงๆ และมันเป็นของจริงที่ตรวจได้อื่นๆก็เหมือนกันรู ป, ปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกันหมดนะ่ะลาบยศสันเสริญโลกียสุขหรือว่าเ ว, เ, วเวทนาสุขเวทนาแบบโลกียะแบบนั้นนะ่ะมันไม่มีไม่มีแล้วเป็นไงแล้วทุกร้อนอะไรลรากลายเป็นคนแข็งทื่อชืเชออยเชยองั้นเหรอมันก็เปล่ามันก็เบิกบานด่าเริงขนาดที่ของเราเบิกบานด่าเริงอยู่กับพวกเราสังคมนี่อย่างน้อยก็มายินดีในคุณค่าความดีงาม ยังเบิกบานราเริงเกิดคุณค่าความดีงามความคนน้นคนนี้เขาโดยเราไม่ต้องมีก็ได้คนอื่นเขามีแล้ ว, ลวอนุโมทนาแล้วเขาก็เบิกบานราเริองอยู่เขาเออต่างคนต่างเป็นสุขอนุโมทนาหรือมุทิตามุทิตากับเขาก็เป็นสุขดีไม่ใช่นั้นเราก็วางปล่อยโลเราก็จะมีให้เราดูทั้งนั้นแหละไอ้คุณค่าต่างๆกุศลธรรมสุจริตรำกรรมกิริยาพฤติกรรมอะไรต่างๆน า, นานามันดียังไงเราก็จะเห็น อย่ในสังคมของพวกเราเนี่ยรวมๆกันอยู่นี่ต่างคนต่างคุณงามความดีที่ทำกันไปถ้าเราตรวจตราดูก็จะเห็นอนุโมทนากับพวกเรานะหรือข้างนอกเขาทำเราก็เห็นข้างนอกที่เขาทำดีขึ้นมาอย่างง้นอย่างงี้บ้างเราก็อนุโมทนากับเขาก็เป็นสุขสุขที่เห็นดียินดีกับผู้อื่นที่เขาได้ดีหรือเขาพ้นทุกยินดีกับผู้อื่นที่เขาเจริญจริงๆเขาพ้นทุกจริงๆขนาดนั้นขนาดนี้ ขนาดไหนก็ไม่เป็นไรนะเขาก็ไม่ไ ม, ไม่ทุกร้อนจนเกินการเขาเจริญขึ้นนะเป็นขั้นขั น, ขนตอนตอนเราก็มีความเห็นดียินดีมุทิตาอ่านะยินดีกับผู้ที่ได้ดีกับเขาได้จริงเป็นสุขอนะ่อย่างนี้เป็นต้นส่วนเราเองนั้นเราก็เบิกบานร่าเริององเราไม่อึดอัดขัดเคืองอะไรนี่ไม่สุขและก็ไม่ทุกข์รสของความไม่สุขไม่ทุก ข, ข์อุเบกขารมนะอุเบกขารมหรืออทุกข์ขมสุขเนี่ย มันก็ไม่ใช่แห่งๆเหี่ยวๆโอหยอย่างที่เคยบรรยายมันจะจะปากจะฉีกจะแฉะแล้วบรรยายฟังมันไม่ใช่มันก็เบิกมาได้เลยมันก็อยู่กันโลกอต้นไม้เขียวน้ําใสอะไรเนี่ยเราก็เราก็ไม่ได้ติดยึดอะไรมากมายหรอกนะไม้เขียวก็ดีก็ดีก็แห่งๆโอ้ยโอก็รู้สมมุติน่ะเราก็เป็นคนเราก็รู้วอะเหี่ยวๆแห่งๆโอยโอ้ยมันก็ไม่ดีเท่าไหร่เราอะอย่างนี้ดีกว่าสดชื่นดีกว่าสะอาดสะอ้านดีกว่ายังไงอะอะไรที่มันน่าจะ น่าจะสัมผัสหรือน่าจะเป็นน่าจะมีมันก็มีแต่เราก็ไม่ได้ไปไขว่ควา้าไม่ได้สแสวงหาไม่ได้ติดใจถ้ามันไม่มีก็แล้วไปมันมีก็ดีหรือว่าเราทําได้ให้มันมีสิ่งที่ดีสิ่งที่ควรกว่าแทนที่จะมีแต่ใบไม้แห้งเราก็มีใบไม้สดบ้างดีกว่าเราก็ทําทําแล้วก็เป็นไปคนอื่นก็ได้รับทรา บ, ราบแล้วคนอาศัยสิ่งอย่างนี้คนอื่นก็อาศัยก็มากแม้เราเองก็เห็นว่าดีกว่าตามสมมุติสัจจะของโลก เราก็เข้าใจสมมติสัจจะและก็สร้างสรรค์เป็นอยู่กับสมมติสัจจะของโลกโดยอาศัยไม่ใช่โดยติดยึดจะไม่มีก่อนแล้วไปจะหมดจะพรากจะจากก่อนแล้วไปไม่ได้อาลัยอาวรนไม่ได้ทุกร้อ น, ไ ม, ไ, อนไม่ได้ทุกร้อนใจคออะไรเลยจะพรากกันก็พรากไอ้พรากดีนี่แหละพรากสิ่งนี้เออเราจะต้องจากใบไม้เขียวจะต้องพรากน้ําใสจะต้องพรากมิตรสหายเพื่อนฝูงผู้ที่เป็นคนดี จะต้องพากสิ่งที่อะไรตระไรต่างนานาแม้แต่จะต้องตายจากพระพุทธเจ้าอย่างสมัยพระพุทธเจ้ามีมีพระพุทธเจ้าอยู่ทั้งองค์แล้วก็เราจะต้องตายจากพระพุทธเจ้าเราก็รู้ความจริงว่ามันเป็นไรก็ตายก็ตายหรือว่าพระพุทธเจ้าจะสิ้นพระชนจะปกรณิพานไปจากเราเราก็เฉยเฉยหรือคนไหนที่เราเห็นว่าดีนะไม่ควรจะจากแต่ก็ต้องจากก็เห็นเป็นธรรมดาวางใจไม่ติดไม่ยึดได้จริงๆ แต่ถ้าอยู่ด้วยกันกับอยู่ไปอาศัยกันไปช่วยเหลือโฟื่ฟล์กันไปนําพากันไปสู่ที่เจริญทางเป็นอริยะทางเจริญทางประเสริฐทางที่มีกุศลมีบุญอะไรแล้วก็ทําไปเท่าที่มีสมรรถภาพเท่าที่เรามีชีวะยังมีชีวะยังไม่ตายยังมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราเองมีจิตปัญญาเป็นปัญญาและเป็นอินทรีย์พละที่จะให้มันมีบทบาทพฤติกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นได้นั่นแหละ แล้วก็มีชีวิตที่เป็นอยู่อย่างสบายนี่แหละไอ้ชีวิตที่พระพุทธเจ้าท่านพระยามให้เราศึกษาฝึกฝนปฏิบัติศึกษ า, กษาแล้วก็ปฏิบัติประพฤติเพื่อที่จะให้เกิดให้เป็นจริ ง, รงๆขึ้นมาทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจากนิสัยหรือจากที่เคยตัวจากสันดานหรือจากสิ่งที่มันไม่ดีที่มันติดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่เอามาเป็นให้มันดีดีจนเป็นนิสัยจนเป็น บรารมีตอนนี้ดีแล้วเราไม่เรียกสันดานละเราเรียกบรารมีละจนมาเป็นที่ตัวเราเป็นบรารมีเป็นนิสยัยเป็นบรารมีเป็นที่ตัวเราเลยจะทาเมื่อไหร่ก็เป็นไปทั้งจิตทั้งใจสํานึกนอกสํานึกในสนึกที่ใต้จิตใต้สานึกกดสั่งการทาการมีแต่ดีไม่จำเป็นจะต้องเอาสำนึกนอกเท่านั้นสานึกในก็ตรงกันกับสนึกนอกสานึกกลางสานึกนั้นมันล้วนล้ว น, ว, นวนแลแต่รู้ดีและมีกาลัง สั่งการมาโดยอัตโนมัติเลยเป็นเมื่อไร่เมื่อไหร่มันก็เป็นทั้งนอกทั้งในหมดในจิตเป็นสํานึกที่รู้จักกุศลเป็นอย่างนี้แล้วก็มีกําลังมีอินทรีย์พละที่จะสั่งการให้ทําในกุศลกรรมนั้นๆๆๆ ๆ, ๆได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องไปคอยระมัดระวังคอยเคร่งคุมออคอยปรับสํานึกดีเป็นอย่างนี้ไอตัวจิตในลึ ก, ลกๆจิตใต้สํานึกมันยังแยงแยงย้อนย้อนกันอยู่ยังขัดยังง้างอยู่อยู่ก็ไม่ ผู้บรรลุแล้วผู้สําเร็จแล้วก็จะต้องสอดคล้องไปตั้งสํานึกนอกสํานึกกลางสํานึกในสอดคล้องกันหมดนะสอดคล้องกันหมดมีทั้งรู้และมีทั้งกําลังอินทรีย์พระจิตเป็นเองเป็นอัตโนมัติเราก็ได้จเจริญและกระส่างสร้์อยู่ไปมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายก็ทําไปนะถ้ายังอยากจะเกิดมาบําเพ็ญอีกก็มา คุณจะเข้าใจเองเลยว่าอยากจะเกิดมาประเพทอีกได้ไม่ได้อะไรคุณจะรู้เองเลยว่าวิภวตัณหามันขนาดไหนจะเหลือเชื้อตัณหาไว้เพื่อที่จะวนเวียนกลับมาอีกยังไงเป็นยังไงคุณจะเข้าใจนะเป็นวิภวตัณหาซึ่งไม่ได้เพื่อตัวเพื่อตนอะไรหรอกไอ้เพื่อตัวเพื่อตนก็เรียนรู้อย่างชัดเจนเลยว่าเรายังมีอะไรส่วนที่ยังเหลือเพื่อตัวเพื่อตนบมเรอตนอยู่เนี่ย แล้วก็ล้างละกิเลสอย่งนั้นจริงๆให้หมดอัตตาตัวตนเลยให้ชัดแม้แต่อาสวะก็ชัดแต่เราจะเหลือเชื่ออะไรไว้เพื่อที่จะมารังสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นเพื่ออะไรเนี่ยผู้ที่เข้าใจและผู้ที่ทําได้ทําเป็นจริงจะไม่มีปัญหาแต่ผู้ที่ยังไม่มีสภาวะก็เอาแต่ภาษาย้อนแยงอะไรอย่างนี้เขาว่าไปนะว่าไปตามที่เขาเข้าใจนีสิ่งที่ได้แล้วแข็งแรงแล้วเนี่ย มันแข็งแรงจริงๆมันอยู่ที่เราเราจะอนุโลมปฏิโลมต้องหัดด้วยนะปฏินิสกะเราทากลับไปกลับมาทำย้อนไปย้อนม า, าทำท ว, ท, วทวนทวนคืนทอนทวนไปทวนมาเพื่อที่จะให้เกิดการแข็งแรงทำได้โดยไม่ติดไม่ยึดกลับไปทำอย่างนั้นได้อยู่กับสิ่งที่มันเคยเป็นเหตุปัจจัยแห่งกิเลสเราก็อยู่เหนือมันจริงๆ ก็เราจะไปปรุงไปแต่งไปทําอะไรอะไรเพิ่มเติมจนเป็นปรุงแต่งประเภทที่เรามีเจตนารมปรุงแต่งและไม่ใช่เพื่อตัวเราเองปรุงแต่งใ น, นขนาดนั้นขนาดนี้ตามฐานะของคนเพื่อผู้อื่นเขาให้เขาได้อาศัยแล้วก็มีวิธีการว่าปรุงแต่งไปอย่างนั้นแล้วทำอย่างไงเขาถึงจ ะ, จะเจริญขึ้นยังไงมีปรรัญญาทําให้เขาจเจริญขึ้นมาได้นี่เป็นการช่วยเหลือกันและกัน เราได้เราช่วยเพื่อนเพื่อนก็ได้ขึ้นมาก็ช่วยเพื่อนต่อไปอีกช่วยกันเข้าไปอีกเป็นการรวมหมู่กลุ่มหรือว่าเป็นการเกิดของตระกูลของเชื้ อ, อเป็นการสร้างคนเป็นการช่วยเหลือคนให้พัฒนาให้ประเสริฐจริงๆและคนยิ่งประเสริฐหรือคนพัฒนาขึ้นมาอย่างชนิดที่เป็นธรรมะอย่างเนี้มันช่วยคนจริงๆมันไม่มีความ สุจริตหือมันไม่มีความไม่ซื่อสัตย์มันเป็นเรื่องสุดจริตมันเป็นเรื่องซื่อสัตย์มันเป็นเรื่องที่จริงใจจริงใจแล้วมันก็เป็นของที่วิเศษปฏิบัติไปเถอะแล้วคุณจะเห็นจริงจะรู้จริงพวกนี้แล้วเราเห็นคุณค่าอาตมาในทุกวันนี้นสบายสบายใจนะสบายใจที่ว่าเออพวกเรานี่ก็ไม่เสียหลายนะอาตมาก็เห็นอย่างพระพุทธเจ้าเห็นนะว่ามันยากนะทำมานี่ไม่ต้องอาตมาพวกคุณก็เห็น นะไม่ต้องไปเอาปัญญาอย่างพระพุทธเจ้าเห็นเราอาตมาเห็นคุณก็เห็นว่ามันยากธรรมะทวนกระแสธรรมะโลกลุ่ตนตัวนี้มันยากไม่ใช่ง่ายง่ยเลยน ะ, ะเราจะรู้ดีแล้วมันยากแล้วเพื่อนมาได้โอ้เขาก็ได้คนนั้นคนนี้ก็ได้เราจะเห็นโอ้คนนี้เขาได้ยิ่งกว่าเรานะมันน่าอนโมทนาน ะ, ะไม่ใช่น่าริษยาไม่น่าจะไปแกล้งไปประชดให้เป็นบาปเพราะเรามีสมาธิถี่แล้วนะ จะไปประชดไปแกล้งทําไมอนุโมธนาการเพราะได้แล้วมันไม่เป็นประโยชน์ไม่ไม่ใช่มันไม่เป็นประโยชน์มันไม่เป็นพิษไปเป็นภัยมันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติอื่นจริงๆได้มาแล้วมันก็เกลียดคุณคนอื่นไม่ใช่ได้มาแล้วมันจะไปเท่ได้เบียดเบียนคนอื่นเอาเปรียบเอารัดคนอื่นมืนก็ยังแบบโลกโลกได้ความรู้แบบโลกโลกได้ไปแล้วก็ไปเบียดเบียนคนอื่นไปเอาเปรียบเอารัดคนอื่นดีไม่ดีก็ไปทําให้คนอื่นเขาทุกข์เบียดเบียนข่มขีแย่งชิง ดีไม่ดีดีกว่าเรวกว่านั้นอีกทุจริตเลยไปทุตจริตรแลกับคนอื่นอำนาจบาดใหญ่ไปเถิเดข่มเหงคเนงร้ายอะไรเขามันไปไม่รอดอไปไม่รอดทุกวันนี้นี่ไม่เข้าใจสัจจ์แบบนี้มีแต่ไปเอาเปรียบเอารัดไปเอาแต่ตัวรอดคนเดียวมันก็เลยแย่ใหญ่เลยทั่วโลกวันทฤษฎีของพระเจ้าเนี่ยอาตมาว่าอาตม า, าไม่พอเราประพฤติธปฏิบัติพิสูจน์ได้ขนาดนี้แล้วอาตมาถึงอาตม า, าสบายใจนะ ได้จริงๆนะอาตมาไม่เชื่อว่าพอเรามาแกล้งให้อาตมาแต่จะแกล้งก็ไม่ว่านะแกล้งอย่างนี้ไปอีกจนกระทั่งอีกสักจนตายกันแต่ละคนแต่ละคนนะแกล้งไว้เถอะแกล้งอย่างเงี้ยแกล้งให้ดีขึ้นกว่านี้อีกแกล้งในดีนะอย่าไปแกล้งชั่วลง่ะไอ้แกล้งชั่วลงหรืจริงๆชั่วลงก็ไม่เอาท่านั้นนะไอ้ชั่วลงเนี่ยจะแกล้งหรืจะเอาจริงๆก็ไม่เอาทั้งนั้นนะแต่ถ้าดีอ่ะอาจจะแกล้งดีเอาเถอะดีขึ้นอย่างเงี้ยแกล้งแกล้งดีแกล้งไงไว่ว่า ยิ่งเป็นจริงเลยดีอย่างนี้มันเป็นจริงไปเลยมันก็ยิ่งดีใหญ่ไอ้แกล้งก็คือสังวรระวังอบรมฝึกฝนนั่นแหละเหมือนแกล้งคือใจมันยังมีกิเลสขวางขัดอยู่บ้างแล้วเราก็ทําให้มันดีเรารู้ว่ากายกรรมวจีกรรมอย่างนี้ดีมโนกรรมอย่างนี้ดีแล้วก็พยายามทําแต่กิเลสมันก็จะดึงฉุดไปหาไอ้ที่มันไม่ดีเท่านี้อยู่นั่นแหละมันฉุดเหมือนเหมือนแกล้งมันยังไม่ลงตัวมันยังไม่ได้เต็มที่มันก็เหมือนแกล้งแต่แกล้งอย่างนี้นะมันใช้ภาษาอย่างเดียวกันมาเรียกไม่ได้ แกล้งทำให้เสียหายแกล้งทําให้ทุกร้อนแกล้งทําชั่วไอ้ยังนั้นมันเลวร้ายแต่แกล้งทําดีไม่เสียหายหรอกแกล้งทำไม่ไม่ทุกไม่ร้อนไม่เดือดร้อนทําให้เจริญงอกงามจริงๆนี่แกล้งเท่าไรก็ไม่เสียไม่เป็นไรถ้าแปลว่าเราฝึกขัดอบรมอย่างรู้แล้วนะเราจะเรียกใช้ภาษาเรียกว่าแกล้งก็ตามฝึกขัดอบรมอย่างรู้จริงแล้วทําไปทําไปได้ประโยชน์ได้มรดได้ผลนะ ต่อไปมันก็ไม่ต้องแกล้งอีกมันเป็นจริงเลยเป็นในตัวเราเองเลยทีนี้เราได้ดีเป็นดีแล้วเราจะอนุโลมมาเป็นหรือมามีพฤติกรรมที่อนุโลมกับคนอื่นตามฐานตามฐานะเพื่อผู้อื่นจริงๆแต่ไม่ใช่เราทำเพราะเราเสพเพราะเราย่อหย่อนเพราะเราเพราะเราเลวลงไม่ใช่อันนี้เราก็จะต้องรู้ว่าเรื่องอะไรพฤติกรรมอย่างไร เราจะอนุโลมกับคนอื่นเข า, าโดยที่คนอื่นเขามองว่าเรานี่ยเขามองไม่รู้เขาจะบอกว่าเราเลวลงแล้วจริงๆแล้วเราไปเป็นอย่างนั้นเราแอบเสพหรือเปล่ามันเป็นกินเลสเราต้องการจะเป็นอย่างนั้นอยู่ลึกๆแต่เราก็แก้ตัวพูดเอาหน้าว่าชั้นอนุโลมลงไปช่วยคนอื่นเขาหรอกไม่ใช่ฉันเป็นเองหรอกแต่แท้จริงตัวเองแอบเสพอยู่ลึกๆเรายังติดยังยึดยังหลงหลยอยู่ลึกๆ นี่ต้องตรวจรรวจริงๆตรวจของแต่ละคนถ้าไ ม, ม่มีจริงๆแล้วบริสุทธิ์แล้วนะโอ้ยทำไปเลยจะอนุโลมปจิโลมแล้วเราเอาเองเราอนุโลมตัวเราเองมามีพฤติกรรมที่ตําลงกเก่าเนี่ยกับคนอื่นเนี่ยเราเสียนะที่จริงเราเสียคนที่เขาเห็นเราเคยรู้ว่าเราได้ดีมีพฤติกรรมที่ดีแล้วเสร็จแล้วเรามาทําพฤติกรรมที่ไม่ดีอย่างเก่าลงมาเพื่อฐานของคนอื่น เพื่อช่วยเหลือคนอื่นเพื่อเป็นเพื่อนกันเพื่อพอเป็นไปอะไรแต่ไรไปตามเขาให้มันมีกําลังร่วมกันอะไรอะไรก็แล้วแต่อเราเสียนะเราหย่อนลงมาเรื่องเราเป็นลงมาเป็นอย่างงี้เราเขาไม่เราไม่ได้รับความนับถือแต่ก่อนเราเคยสูงส่งเราเคยมีพฤติกรรมที่เข้มข้นพอเรามาอนุโลมลงมาคน ก, ก็บอกว่าไอ้นี่มันไม่เข้มข้นแล้วเรานั่นแหละเสียอ ทีนี้ถ้าบอว่าเราเสียอย่างนั้นแล้วเราเองก็โกหกคนอื่นด้วยเราไม่ได้อนุโลมลงมาจริงหรอกที่จริงแล้วเราไปไม่ได้เรามันต้องต่ําอย่างนี้จริงๆเลแหละแล้วโกหกว่าฉันอนุโลมลงมานะเน่าอีกบาปซ้อนอีกตัวเองไม่ได้แล้วยังมาดันโกหกเขาอีกมาดันทําทีว่าฉันอนุโลมฉันมาช่วยคนอื่นแล้วฉันเองฉันไม่มีโอ้ชั่วใหญ่เลยไนนอ้คนนี้ตัวเองทําให้เป็นยังมาทําเป็นเลี่ยงมาทําเป็นคุยโตทําเป็นโออวดไปเข้าเรื่องเขาเรา น้อก็เลวใหญ่เลยไอ้ที่ดียังไม่พอไอ้ยังไม่ดีพอได้ยังผ่ามาโคโหงคนอื่นเขาว่าเราดีซะอีกไม่เข้าท่านะพะเรียนดีๆรับฝึกหัดดีๆพยายามภาคเพียรดีๆเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตนะอะไรที่พอเป็นไปได้ในลําดับที่เราจะเพิ่มจัตวีจะสร้างสรรค์ให้แก่ตัวเองเป็นอธิศีนอธิจิตอธิปัญญายิ่งๆขึ้นเรื่อยๆ อย่าโลภโมโทสันมันยังไม่ได้ก็จะทำเอาม่ให้มันได้มันเกินฐานนะเกินฐานเราก็ต้องมาระวังจริงๆ จ, งจึงจะเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาแต่ในภาวะอบรมฝึกฝนต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากไม่ใช่ว่าทำอย่างสบายๆ ย, ยะถาสุขขังะยะถาสุ ข, ขังจะไปตามยถากรรตามสบายๆโดยเฉพาะกิเลสให้มัน นำหน้าด้วยกิเล่มันจะเอาไงก็หามันไปบำเรอมันมันก็ดีมันก็สบายใจดีมันไม่ขัดไม่ฝืนอะไรไม่ลําบากใจไม่อึดอัดขัดเครื่องตามใจกิเลสไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่เจริญหรอกมันต้องขัดเกลาตนเองมันต้องทุกมันต้องมีทุกขายาอัตตาหนังปัฏฐะติมันต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากและลําบากอย่างที่เรารู้เลยว่าเราลําบากเพราะเราต้องฝืนต้องทนต้องต่อสู้ กับกิเลสของเราอย่างนั้นอย่างนี้พฤติกรรมอย่างนี้เรียกว่ากรรมฐานพฤติกรรมอย่างนี้เรียกว่าเรากําหนดศีลสมาทานสมาทานสมาทานพรตพะตะบทประพืชหรือจะสมาทานศีลหรือจะมาทานกรรมฐานอะไรก็ได้และเราก็ทําจริงๆตรวจตราตัวเองทําแล้วได้ผลไหมจเจริญขึ้นไหมจเจริญขึ้นสมควรจะเพิ่มอัิศีลแล้วหรือยังสมควรจะเพิ่มอัิศีลแล้วก็เพิ่มขึ้นไปจเจริญไม่มียิ่งไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ใช่ที่จริงมีที่สิ้นสุดเมื่อจบกิจทุกอย่างก็มีที่สิ้นสุดก็เจเริญอยู่เรื่อยๆเรื่อ ย, อ ย, อยไๆได้น ะ, นะเราจะต้องฟังจริงๆฟังตรวจตราแล้วฟังก็ตรวจตรั้งตนบ้างหลายหล า, ยหล า, ยหลายอย่างนะในตัวเราเนี่ยไม่มีไม่ชั่วไม่ต้องไปเทล้างไม่ต้องไปละไปล้างอะไรเราได้มาปเปล่าๆได้มาโดยบุญของเราเดิมๆ เ, เราก็ดูของเราเอออันนี้เราไม่ต้องไปหัดไปฝึกเราเรได้คนอื่นก็หัดฝึกจะตายในเรื่องนั้นเรื่องนี้ เราต้องฝัดต้องฝึกกันเยอะแยะแต่เราไม่เห็นต้องฝัดต้องหัดต้องฝึกมันยังเข้าเลยก็ได้สบายเราก็จะรู้นะจะรู้จริงๆถูกต้องแม้มันผิดพลาดก็ทําไปก่อนทําไปแล้วผิดพลาดมันก็จะรู้ว่าผิดพลาดแล้วก็มาแก้ใหม่มาแก้ไขใหม่ก็เสียเวลาหน่อยอแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดพลาดที่เลวร้ายอะไรนักมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงระวัง นะระวังเสียท่าอย่างนั้นเข้าเรายุ่งเลยนะบาปก็จัดเสียหายก็มากเนื่นชาไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่เพนะราะการกินการอยู่การหลับการนอนการยังชีวิตไปเนี่ยพระพุทธเจา้าท่านสอนเรานี่ทำให้เราเป็นสุขหมดทําให้เราสะอาดสะอ้านได้หมดนะสะอาดสะอาดนอกสะอาดในนะสบายสบายเราคนอื่นใกล้ชิดเราครบคุ้นเรา สัมผัสสัมพันธ์กับเราก็สบายด้วยสบายนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอาตมาว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแล้วเราก็จะรู้ความเป็นจริงว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่เอาน้ําหอมมาพรมตัวอย่างคนโลกโลกนี่เขากลบเกลือนใช้น้ําหอมมากลบเกลือนกลิ่นตัวนะมันก็เขาเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็ไปนิยมกันแล้วก็ไปอุปทานทติดยิตไปอย่า ง, งานั้นส่วนคนบอกแล้วว่ามันเหน้น มันต้องมีกลิ่นเหม็นในตัวจริงๆอะนะเมื่อไม่ได้ใช้น้ําอบจะเป็นกลิ่นขนาดหนึ่งเพราะฉะนั้นจริ่นจะไม่แบบโลกโลกเขาอ่ะโลกโลกเขานี่เขาใส่ยิ่งอยู่ในสังคมชั้นสูงแล้วไปไหน ๆ, ๆ, ๆแล้วกลิ่นใส่น้ําอบน้ําหอมไปแล้วถ้าจะไม่รู้เลย ว, ว่ากลิ่นคนจริงๆมาตรฐานเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเขาติดยึดแล้วเขาก็จะไปได้กลิ่นคนที่สะอาดมาตรฐานที่ไม่ใส่น้ําอบเนี่ยเขาจะหาว่าเหม็นละ เขบอกว่าบอกแล้วว่ากลิ่นคนนี่มันเหม็นตั้งแต่มันเหม็นคาวไปจนกระทั่งมันเหม็นอะไรที่มันเป็นกลิ่นตัวคนที่มีกลิ่นตัวแรงๆเนี่ยยิ่งโอ้โหก็น่าเห็นใจเขานะเขาก็ไม่อยากมีในกลิ่นตัวแรงๆเสื้อมันก็เป็นตัววิบากของเขาเป็นกลิ่นตัวของเขาแรงๆมันมันก็เขาก็ล้างก็เช็ดพอล้างมันก็ออกไปหลอกตอนล้างพอมาอีกหน่อยมันก็อีกแล้วแตกตัวอีกแล้วมันก็หมักหมมพอสมควรมันก็กลิ่นเก่าก็เกิดมาอีกหน่อยละ ประเดี๋ยวเดียวเราไม่น่าไม่ช้าไม่นานยิ่งมีกขิ้เหงือี้ใครมีน้อมีนี่เดี๋ยวกลิ่นตัวก็ออกมาอ่าเราก็เข้าใจครับว่าเออเขามีเป็นสิ่งนี้แล้วเขาก็ไม่ได้เอาน้ำอบน้ำหอมมากลบมาเกลือนเราก็จะไม่ไม่ผักไม่ดูดไม่ชังอะไรกันมันก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรเกินการล้อดมกลิ่นตัวของคนนะไม่ได้เมึสไอสารพิษยาพิษอะไรหรอกนันก็พอเป็นไปเนี่ยเราก็ศึกษาดีๆเราจะรู้ว่าชีวิตของเราจะอยู่สัมผัสสัมพันธ์กันเนี่ยนะ อย่าว่าแต่แค่อัตมายกตัวอย่างแค่กลิ่นตัวแล้วเราก็ผลักกันชังกันสัมพันธ์กันไม่ได้สามัคคีกันไม่ได้ชังแค่กลิ่นตัวระวังอื่นๆที่เราจะชังกันไม่ว่าจะเป็นจริตนิสัยพฤติกรรมอะไรเนี่ยเข้าใจเขาให้ได้ว่าเขาเป็นอันนี้เป็นวาสนาของเขาอันนี้เป็นจริตของเขาที่เขาแก้ยังไม่ได้เขาพยายามอยู่ได้แค่นี้เออเขาได้แค่นี้ก็แค่นี้ เขาอยู่กับมูกับฝูงเขาก็ไม่ต่าก็มาตรฐานหมู่ฝูงก็ยอมรับเขาไว้อยู่อเขาได้แค่นี้ก็อรับกันข้อสําคัญเราจงวางใจสิเราเป็นใหญ่เป็นโตอะไรเราใหญ่ก็ใหญ่ไม่ได้นะขับเขาก็ไม่ได้ใหญ่จนขับเขาออกก็ไม่ได้ก็มูรับปากอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องจํายอมเหมืนะแล้วเราก็วางใจเราหัดจริงๆนะหัดวางใจเออแล้วก็ประสานสมานกันไป เขาเลวกว่าเลวไปเถอะมันเรื่องของเขาแล้วก็บอกแล้วว่าเธออยู่กับหมูมาตรฐานของหมู่หมูก็ยังยอมรับเขาหมูไม่ได้ขับเขาออกเราก็อยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันแล้วเราก็หัดวางใจเราถ้ายังไปยึดติดอยู่ไม่น้อยแหมเจอเมื่อไหรก็เกลียก็โกรกเกยก็โกรธโหแล้วเมื่อไรเราจะได้ปฏิบัติทำนี่แหะตัวอย่างที่เป็นของจริงเลยนะนี่แหละเป็นโจทย์ที่แท้จริงที่เราจะต้องทํา นะพวกเรานี่ถ้าเราปรับวันนี้กันได้นะมีมากมีน้อยอะไรก็แล้วแต่พวกเรานี่ยติดยังยิง่อยู่ในผู้ในคนอะไรอะไรพวกเรากันเองไอ้คนนี้เราไม่อยากจะเห็นหน้ามันไอ้คนนี้น่ยมันมันยังไม่สนิทใจอะไรอยู่ก็แล้วแต่ยังเหลือน้อยก็าตามถ้าระวางใจได้หมดเลยนะโอ้สบายพวกเรานี่จะสมานสามคัคคีจะเป็นพี่เป็นน้องจะมีกำลังกําลังรวมที่รวมเข้าใกล้เข่าชิดกันได้ทุกเมื่อทุกเวลาอะไรอะไรก็ ไ, รไม่มีตัวผลัก สัมพันธ์กันได้ดีมันจะเกิดความเจริญมากมายเลยทีเดียวจะเกิดความเจริญได้มากมายทำไมในะคนพวกเรากันเองพวกเราที่อยู่ด้วยกัน พ, พวกเราเนี่ยเป็นคนเจริญมาขนาดนี้แล้วเนี่ยที่คนข้างนอกเร็วกว่าพวกเราอะนะทำใจวางได้ฟังดีๆนะไม่ถือหรอกเข้มก็เร็วอยู่หลันหลัดนะมีอบายยมุกอยู่ตรงๆเลยซ้ำไปนะ เข้าใจแล้วเขาเป็นอย่างงั้นน่ะเราไม่ถือเขาหรอกนแล้วทำไมเพื่อนเราดีกว่านั้นยังถือนี่มันย้อนเห็นไหมมันย้อนอยู่เนี่ยมันย้อนอยางเนี้ยทำไมอ่ะมันวางกันไม่ได้บ้างถ้าเราเองเราอยากปรารถนาเขาดีคุณช่วยเขาได้ไหมล่ะแนะนําเขาได้อธิบายเขาได้เขาศรัทธาเลื่อมใสคุณเขารับฟังเวละถ้าเขารับฟังก็ช่วยเขา อธิบายเขาอะไรเขาแต่ถ้าเราชังกันอยู่อย่างนี้คุณจะอธิบายเขาเขาจะรับเปล่าเขาจะรับไหมจ่ากับพูดก็ไม่รู้เรื่องก็มันชังกันอยู่งั้นนะถ้าเราวางซะแล้วเราเกิดการสัมพันธ์กันได้ดีสนิทชิดเชื่อกันต่อไปในอนาคตเราจะพอพูดกันได้เห็นไหมว่าคนตั้งจิตไว้ผิดเนี่ยที่โสที่สังยันตงกริยาเนี่ย ผู้ที่ตั้งจิตไว้ผิดเนี่ยมันไม่ได้เรื่องจริงๆเลยแล้วเมื่อไหร่มาจะาไปเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านด้วยกันได้แล่เราก็จะต้องเป็นวิบากจองติดยึดอยู่อย่า ง, ง น, นั้นน่ไม่รู้จะคลายไม่รู้จะเปลี่ยนไม่รู้จะปลดไม่รู้จกแล้วสักทีไม่จะไปใช้ได้อะไรไม่จเจริญนะเพราะฉนัน้นในหมู่พวกเราเนี่บมนดีขึ้นมาเยอะแล้วถ้าแก้ไขจุดนี้กันอีกนะสัมพันธ์กันดีหัดวางปล่อยวางกันเออ ถ้าช่วยกันได้ก็ช่วยบอกแล้วช่วยไม่ได้ก็ไปเสนอผู้ใหญ่เสนอผู้ที่เขาช่วยกันได้ไปเป็นความปรารถนาดีจริงๆไม่ใช่ไปฟ้องไม่ใช่ไปหาเรื่องไม่ใช่ไปใส่ใครใส่ความอะไรกันและเราก็วางใจเรา เ, ออเขาได้ขนาดนี้นนะขนาดขนาสงสารนาวเวทนาเขาดวยซ้ำนาสงเพทเวทนานะไม่ใช่ว่ายิ่งจะไปเกลียดไปชังยิ่งไปหมอ่าไม่สัมผัสสัมพันธ์อะไรกันเลยมันไม่ถูก เราจะต้องเข้าใจสถานการณ์หรือสถานภาพว่ามันมันต้องอย่างนี้แหละมันต้องทําอย่างนี้ต้องปรับอย่างนี้แหละมันถึงจะเป็นประโยชน์คุณค่ากันยิ่งขึ้นเราก็จเจริญคนอื่นก็จะได้จเจริญและความสามคัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีมันก็จะเกิดจะเป็นได้นะเป็นความเป็นอยู่ผาสุกนะเป็นความเป็นอยู่ผาสุกด้วยที่จริงแล้วลึกๆพระพุทธเจา้าท่านตรัสว่าเอาความเป็นอยู่ผาสุก ข, ของสง ถ้าเผื่อว่ามีสิ่งที่ไม่ได้ห้าประการนี้แล้วจะมันมันจะไม่เกิดพาสุมนึนงอะไรอะ่ะมีศีลแล้วอย่าเอาไปข่มผู้อื่ น, นเราดีกับเขาได้แล้วจะเอาไปข่มคนนั้นคนนี้เข า, นาหนึ่งมีศีลแล้วได้ศีลแล้วอย่ า, าไปข่มผู้อื่ น, นสองอะไรเราไม่เด่นไม่ดังใช่ไหมสองหรือสามอันเนี้ย ฮะครามันไปอยู่พระสูงนี่เหรอไม่เ พ, งพ่งโทษผู้อื่นนะข้อสามไม่เด่นไม่ไม่เด่นไม่ดังนะข้อสองไม่เ พ, งพ่งโทษผู้อื่นข้อนึ่มีศีลดีแล้วได้แล้วอะไรแล้วก็อย่าไปเบ่งไปข่มไปมันมันลึกซึ้งนะมานะอัตตาตัวนี้เนี่ย ได้ศีที่ได้แล้วเนี่ยได้สีได้แล้วก็หมายความว่าสีนั้นเป็นปกติสีนั้นเป็นปรมัตาสีนั้นเป็นเป็นอธิจิตอธิปัญญาแล้วเป็นญาณเป็นวิมุตต์แล้วนะได้แล้วก็อย่าไปเพ่งคนอื่นอย่าไปจิตไปยึดจะเป็นหลงไหลได้ปลึงของตนเองแล้วก็จนก็เป็นลบลูดูถูกคนอื่นแล้วก็ไปเพ่งโทษไปอะไรต้องเห็นใจเขาต้องเข้าใจเขาให้ได้ว่าเขายังไม่ได้น่าสงสารบอกแล้ว จิตโพธิสัตว์นี่เป็นอย่างนี้นะจิตโพธิสัตว์นี่เห็นคนอื่นเขายิ่งไม่ได้เขายิ่งชั่วหนักชั่วหนักมันยิ่งสงสารเพิ่มขึ้นไม่ใช่ไปยิ่งไปเกลียดชังเขาจิตโพธิสัตว์เนี่ยนะจะเห็นจริงเลยว่าเออมันยิ่งหน่าอุงเพอเวทนาเขายิ่งเป็นนรกเขายิ่งทุกข์เขายิ่งร้อนอ่ไม่ใช่ยิ่งไปทับถมข่มขีไม่ยิ่งไปอะไรอะไรส่วนเราจะวิเคราะห์วิจัยว่ามันเลวมันไม่ดีมันอะไรเหมือนทับถมโดยโวหารลีลาศิลปะว่าเราไป ไอ้นี่ไม่ดีอย่างนี้เขาไม่ดีอย่างนั้นอยู่ด้วยแต่เราไม่ได้ไปจับจ้วงเขาหรอกนะแต่ว่ามันไม่ดีอย่างนี้วิเคราะห์วิจัยไอ้ตัวสภาพความไม่ดีนะนไม่ใช่คนสภาพความวิจัยถล่มทลายความไม่ดีเพื่อให้เขาได้ยินก็ตามเขาจะได้รู้ว่ามันชั่วมันเลวมันน่าเกลียดน่าชังน่าปล่อยน่าเลิกไม่น่าจะมีในตนน่าจะทิ้งน่าจะสละออกเขาจะได้รู้ว่าโอ้โหมัน เลวได้มันยงนี้เฉลยมันนักเกลียดได้ชัางงี้เฉลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั่นมันซับซ้อนเหลือเกินว่าบางทีไปสอนเขาว่าเขาก็หาว่าเราว่าเขาที่ยังไม่ได้ว่าสอนเขาอะ่ะยากไอตัวพวกนี้เพราะจุดนี้จุดที่อาตมา ก, กําลังกล่าวถึงอยูน่นี่อยากให้พวกเราศึกษากันดีๆนะพะยายามทําให้ความทําความเจริญให้แก่ตนแก่กลุ่มแกหมู่สังคมจะได้รับประโยชน์มากมายขึ้นเรื่อยๆเรย ๆ, ๆไม่เช่นนั้นแล้วก็มันก็ช้าแล้วมันก็ไม่ได้ ไม่ได้ช่วยโลกโลกทุกวันนี้ได้เดือดร้อนอาตมาบอกเคยบอกพวกเราแล้วนะแต่อาตมาก็ไม่กล้าที่จะพูดโตมากกว่านี้พูดใหญ่มากกว่านี้พูดมากกว่านี้คุยเขื่งมากกว่านี้มันไม่ไหวขนาดนี้ก็คุยโตมากแล้วพูดใหญ่พูดมากแล้วแต่ก็ขอบอกกขาพวกคุณย้ำๆซ้ำๆซัก ๆ, ๆอยู่อีกว่าพวกเราเนี่ยนอกจากจะล้าหน้าเข้าไปดีนําหน้าแล้วพวกเราเนี่ยนะเป็นเรื่องที่จะช่วยสังคมเข้าไปอีก อาตมาเคยเทศมาวันไหนก็ไม่จราบไม่กี่วันนี่แหละว่าศาสนาพุทธเราเนี่ยห้าพปีถ้าไม่มีเนื้อหาตอนนี้แล้วนะมันจะไปอีกห้าพันปีได้อย่างไรเมันจะไปนั่นแหละไปอีกไปถึงห้าพันปีอีกสองพันรอยกว่าปีไม่ถึงสองพรอยกว่าเราสองพันไม่ถึง2องพรอดีด้วยซ้ำไปสองพันสี่รอกว่าตอนนี้เป็สองันห้ารอยกว่าแล้วมันเกือบจะอีกรอ 2,500 ตั้งเข้าไปตั้ง30กว่าแล้ว 2,530 กว่าแล้วมันก็ 2,460 กว่าเท่านั้นเองตอนนี้ 2,466 มัน3 4แล้วนเนื้อหามันต้องมีมันจึงจะไปได้อีกตั้ง 2,000 กว่าปีเพราะพุทธเจ้าสร้างาศาสนาปุ๊บใช่ไหมเกิด เนื้อหาของศาสนาพุทธขึ้นมาแล้วก็ให้คนได้มาอาศัยสองพันห้าร้อปีมาแหวลด่อนลงมาเนื้อหาแทบจะหาไม่เจอในโลกนี้นะประเทศไหนในโลกเราก็รู้อยู่ว่ามีศาสนาพุทธอยู่ที่ไหนบ้างแล้วเนื้อหาของศาสนาพุทธอย่างนั้นเราก็เอามาศึกษาอาตมาก็ว่าอยู่ในเมืองไทยนี่แหละเป็นเนื้อหาศาสนาพุทธที่มากเป็นเนื้อหาที่เป็นปรมาทิที่จริงด้วย ในเมืองไทยนี่แหละนะเนื้อหาของพระพุทธเจ้ายัางเอาไว้สร้างเอาไว้มาสองพันหรอกว่าปีนี่ชักไม่มีฤทธิ์ชักไม่มีแรงจะทำให้คนนี่เกิดอริยะบุคคลบางคนยอมจำนวนในสบายเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วพระอริยะไม่มีแล้วพระอริยะถ้าไม่มีพระอริยะอรเหลืหอาศาสนาพูดไปอีกสองพันห้าเกือบสองพันห้าร้อปีมันจะไปได้ยังไงอ่ะ ถ้ า, า ค, นคน้นค้นขณะพระพุทธเจ้าเนี่ยยังมาได้ 2,500 ปียังเดือแค่นี้แล้ว้าไม่มีเนื้อคนค้นอีกที่จะไปอีกถึง 2,500 ปีนะคุณจะหวังอะไรถ้าคุณเชื่อว่าศาสนานี้ 5,000 ปีจริงนา่ามาเอาเหตุผลมาพูดนะอาตมาไม่ได้พยากรณ์ไม่ได้คุยตัวเองว่าใหญ่ยิ่งอะไรหรอกนะถ้าคุณเชื่อว่ามันจะไปจริงมันต้องมีเนื้อหาแท้ๆของศาสนาพุทธอีกที่จะ เข้มคนพอที่จะไปสลายหมดอีก 2,500 กว่าปีออกอีก 2,000 ไม่ถึง 2,500 ดีนักนะ่จันท่วาเนี่ยไปถึง 5,000 ปีพุทธไปถึง 5,000 ปีมันต้องมีอย่างนั้นใช่ไหม้ดยเหตุผลคุณฟังดีๆอ่าแล้วกลุ่มไหนละ่ะที่ทำเนื้ออยู่ที่ไหนละ่ะขณะ น, นี้นี่มันก็ 2,500 กว่าปีมาแล้วน่าจะโผล่าพเาคำพยากรณ์ก็มี จริงคําพยากรณ์ก็มีก็ต้องโผล่กันแล้วล่ะก็ต้องมาทํากันแล้วเราจะมาช้ากันหวัดไหวยไปทำมาเมื่อไหร่แล้วนี่มันก็จะแย่แล้วอ่ะเอาละเราตัดภาพดีกว่าไปพูดไปมากกันเดี๋ยวก็คุยอวดโออะไรมากมากกว่านี้ฟังเอาไว้กันแล้วกันแล้วก็ติดตามไปใครยังไม่ตายติดตามไปอยากกระพริบตา ติออดตามไปอย่างอยากกระพริบตานะแล้วก็รังสรรค์ไปนะอาณได้มาก็มาโมเมเลยว่าพวกเราเนี่แหละนะมาโมเมเลยทีนี้ตัดภาพมาโมเมเลยว่าพวกเรานี่แหละเราต้องสร้างสรรค์ น, นะเราช่วยศาสนาพระพุทธเจ้าจริงๆริงรังสรรค์สร้างสรรค์เข้าไปเพื่อที่จะได้ยืนยาวไปเพื่อที่จะได้ช่วยโลกเพื่อที่จะได้ไดทํา ให้เป็นจริงาศาสนาพุทธเจ้าจะได้เป็นจริงเกิดจากคนไม่ใช่ว่านั่งเดาเดาดนดนแล้ว น, นั่งหลงุมหลุมแรงแร ง, ง, ง, งออกไปไม่ใช่ต้องเกิดจากกรรมจริงกรรมกิริยาพฤติกรรมจริงอุสาหวิยารรภาคเพีย ร, ร, ร, ร, ร, รจริงและความเจริญเนี่ยทุกวันนี้ที่เรามี น, นี่อโศกรเราก็แค่นี้มันยังจะโตคุณภาพของาศาสนายังจะโตจะเจริญไปกว่านี้มีนํามีนามีเนื้อมากกว่านี้จริงๆ แค่นี้มันไม่พอเราแค่ที่เราเป็นอโศกเราว่ามีเนื้อหาของาศาสนาพุทธแค่นี้เนี่ยมันไม่ไปอีกสองพันปีมันไม่ถึงหรอกมีเนื้อแค่เนี้อ่ไม่ถึงสองพันปีหรอกเฮ้ยรอย้อปีพันปีมันจะถึงหรือไอ้เนื้อแค่เนี้ยมันไม่พอหรอกเพราะฉะนั้นมันจ้องจเจริญไปอีกเราจะต้องเจริญกว่านี้อีกตัวเราแก่นแก่นี่ต้องเจริญกว่านี้อีก แล้วก็อยา่าอย่าไปนึกอย่าไปคิดว่าเราดีแล้วพอแล้วละขนาดนี้ก็พอแล้วนั่นประมาทนะอาตมาเตือ น, น, นเตือนพวกเราเสมอนะนั่นประมาทไม่ได้หรอกทำอย่างนั้นคิดอย่างนั้นตั้งจิตไว้แค่นั้นไม่ได้มันเป็นการตั้งจิตไปผิดนะตั้งไว้แค่นั้นพนะภาคเพียร์นาวย่างน้อยที่สุดประโยชน์ตนมันย่อมได้จริงเราภาคเพียรุตสาหาวิยาปประโยชน์ตนมันก็ย่อมได้แล้วคุณไม่อยากได้นิพาน ไม่อยากได้ความประเสริฐไม่อยากได้อยากจะทุกข์อีกต่อไปอะ่ะเชิญนี่ไม่ได้ไหลนะก็เชิญนีไม่อยากทุกข์อีกต่อไปก็เชิญไปทุกข์นะคนที่รู้ทุกข์อริยสัตว์แล้วจริงๆนี่นะอย่างชนิดที่เรียกว่าเป็นอริยะนะเข้าเขตอริยะนี่นะมีอินทรีย์มีพระมีจิตมีสานึกนี่นะเห็นทุกข์จริงๆมันไม่เอานะ มันไม่เอาเรามันอยากจะเลิกอยากจะพ้ น, นทุกอย่างเงี้ยมันเห็นอริยสัจอย่างนั้นจริงๆน ะ, ะทุกเพราะจะต้องไปแย่งลาบโอโ้ไม่เอาอะ่ะพอแล้วก็อยู่อย่างนี้ก็ได้เราก็รู้คุณค่าด้วยเราไม่แย่งเลยยิ่งเป็นคุณค่าแล้วคุณจะไปแย่งมหาอะไรไปแย่งลาบจะได้มาล้านสองล้านห้าล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านถ้าคุณจะแย่งเนะี่ยคุณมาสร้างมันได้ร้อยล้านอย่างนี้แล้วบริจาคนย ม, มันไม่ดีกว่าเห็นไหมเห็นไหมอ่ะ เ, เข้าใจไหมอ่ะแทนที่คุณจะไปแย่งร้อยล้านมาให้มันเป็นเวรเป็นภัยอ่ะคุณมดสร้างร้อยล้านนี่ให้ไปอัไหนมันมีเศษกกันนะ่ยใครตอบไม่ได้นั่งงออยู่ในหัวจิ้มลงไปในบอ่อนี่ถ้ามันไม่รู้กันนะ่ะนี่มันต้องชัดชัดจริงๆนะต้องชัดนะอาตมาว่าอาตมาพูดชัดนะอาตมาว่าอาตมาพูดชัดในชะ่ไหม มันคนเข้าใจเห็นจริงแล้วจะเหนื่อยเฉินอาตมาไม่เกี่ยงอะคนจะเหนื่อยก็เหนื่อยไปที่แล้วคนในโลกมันไม่เข้าใจมันเป็นเหนื่อยเป็นบ้าเนี่ยไปสร้างเวรสร้างภัยไปเอาเปรียบเอารัดเจ็จะต้องเอาร้อยล้านพันล้านแสนล้านมันก็ต้องเอาเปรียบอยู่ตรงนั้นน่ยมันถึงจะได้ใช่ไหมแต่แล้วก็เนื่อว่าเขาวิเศษนักหนามันน่าสมเพชเวทนาเขาจริงๆเขาไม่รู้นะเราพูดให้เขาโกรธเราซะอีกนะหาว่าเราไปว่า เอาของคุณเวนคุณไพยคุณมีเวนมีภั ย, ม, ภยมีบารมีนี่อยู่นะไม่ใช่ว่าให้คุณรู้สึกตัวพยายามตั้งสติแตรึตรวจตราความจริงคุณความสามารถมากๆไม่ว่าเลยเอามาเอามาความสามารถมามาสร้างยิงสร้างแล้วคุณก็ยิ่งสละเสียสละสร้างสรรค์เกื่อกูล ค, คนอื่นเขาไปเองคุณนั่นแหละได้บุญได้ความประเสริฐได้ความวิเศษไม่ใช่คนอื่นเขาแย่งคุณได้ที่ไหนแล้วกรรมของใครกรรมของมันทรัพย์ของใครทรัพย์ของมันวิบากใครวิบากมันโดยแท้ เขามาทำเอาสิถ้าทำไปคนเห็นจริงแล้วไม่มีปัญหาหรอกคุณไม่มีปัญหาเราเห็นจริงแล้วเราไม่เอาไอ้นี่มันเป็นทุกข์มันเป็นเรื่องเวรภัยมันเป็นเรื่องสังสารวัฏเป็นหนี้เป็นบาปไม่ไปทำทำไมเราเกิดปัญญาญาณอาตมาพูดกับพวกคุณทุกวันนี้สบายขึ้นพอพูดแล้วก็เออมันพอเข้าใจกันได้ถ้าอาตมาไปพูดน้าหลวงพูดอย่างนี้บ้างเาก็คงบอก เฮ้ยทำไมไม่ร้องเพลงของเบิร์ตวะนี่สินะดีกว่าให้พูดนี้ไม่รู้เรื่องเว้ยเรื่องไม่กับพูดอย่างแซววาทีก็นั่นเหมือนอย่างกับพวกกันนิกาเขาจัดอยู่ในทีวีนั่นพูดอย่างนี้ไม่รู้เรื่องเว้ยไม่ฟังอะจริงอัตมาไปพูดอย่างนี้เขาไม่มาฟังกันทั้งเท่าไรหรอกถ้าเอาแซววาทีไปพูดเขาก็ไปฟังเอาอย่างเราพูดเขาไม่ฟังเขาไม่่อยรู้เรื่องมันก็จริงนะซึ่งอัตมาก็ไม่ได้ไปว่าอะไรเขาหรอกนะที่จริงพูดมาเปรียบเทียบไปฟังไม่ใช่พอไปข่มไปขอราก เขาก็ยังฐานนั้นจริงๆเขาก็ได้แค่นั้นเขาก็หาทางที่จะฉลาดซักซอมความเฉลียวฉลาดเพื่อที่จะได้ฉลาดขึ้นมารู้สัจจ์มารู้ปรมาทมารู้อะไรดีๆพวกนี้ความประเสริฐที่แท้จริงพวกนี้บ้างเขาก็พัฒนาตัวเองอยู่พัฒนาขึ้นมาแต่เราก็อย่าไปเที่ได้ขม่มเขาอะไรเขามากเกินไปล่ะก็เรารู้ก็รู้แล้วไปเขาจะรู้เขาก็มาเอาเพราะเขสัจจ์ความจริงของคนอย่างคนคุณมากันนี่ยอาตมาถือว่ามาด้วยสัจจ์ ไม่ได้มาได้หลอกไม่ได้มาได้หลงใครหลงมาอาตมาว่าหลงมามันก็ยังดีนะมาหลงๆมาอย่างี้ดีหน่อยเอ้มันไปหลงไป ท, ทางโลกอสนะิบอกว่ามาที่นี่เลยว่าอบถูกหลอกมาหลงมาเข้ามาสติสุขใถูกหลอกมาเลยหลงพลัดผูก็มาไงไม่รู้เสร็จแล้วก็เลยมาถูกกระลังสมองแล้วก็เลยจมอยู่ตรงเนี้มาแห่มันบุญไอคนนั้นะมันบุญแล้วมันบุญนะอาตมาว่าบุญจริงไหม มันไม่หลงกัมาสิมันดันไปหลงทางโน้นดันไปหลงไอ้ฝั่งโน้นแล้วก็ให้เขาไปคลอบไงมเม่จะว่าล้างสมองเลยเอาขี้เขลใส่สมองไม่ใช่ล้างสมองแล้วเอาขี้เขะใส่ขมองไปโน่นติดอยู่น่นอ่ะพูดกันก็ไม่รู้เรื่องออย่างงั้นสิมันน่าสงสาร น, น่าสงเพชเวทนาเนี่ก็พูดกันทั้งสองด้านฟังชัดๆฟังกันดีๆนะ เพระพวกเรามาเนี่ยอาตมาถึงบอกว่าอาตมาไม่มีปัญหาจะพูดโดยโวหารภาษาว่ามานี่ถูกมาล้างสมองพาก็เพราะว่าถูกหลอกมาหลงมาดีไม่ดีหาว่ามาแล้วที่นี่เออทำน้ำมนต์ใส่ตุ่มมาไว้ใครมาตืมน้ําที่นี่เสร็จเลยนี่เป็นน้ำมนต์สะกดจิตติดเลยนี่เอาเถอะใครจะว่างั้นก็ว่ากันไปอ่ะจะใส่ความยังไงจะหาเรื่องยังไงอาตมาไม่มีปัญหาหรอกอาตมาเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งจริงมันเป็นของพิสูจน์ คนเรายังมีปัญญายังมียานทัศนะที่จะสามารถเข้าใจธรรมะอันลึกซึ้งอันยากอันทวนกระแสโดยเฉพาะโดยเฉพาะจริงๆคือมันทวนกระแสนะมันไม่ได้ไปเป็นอย่างโลกียะมันยังเป็นอย่างปุตุชนเขาเป็นเขาหลงไหลมันเป็นการฝืนใจมันเป็นการทวนกระแสใจเป็นการยากแล้วก็ยังมาฟังยังมาภาคเพียรประพฤติปฏิบัติแล้วก็มาลดมาละออกมาให้ได้เห็นเลิกปล่อย ลาบยศสันเริญโลกียสุกอุสามหาอฝึกทิ้งโลกียสุกทิ้งรสอร่อยของโลกทิ้งอัศธาของโลกพยายามฝึกอบรมตนจนได้จนเป็นจนมีขึ้นมาตามลาดับลาดับลาดับมันเป็นเรื่องที่ยังหวังได้ไเป็นเรื่องที่มีความหวังถ้าฝันก็ฝันที่มีความจริงฝันที่เป็นจริงแน่ๆ น, นะฝันที่มีความจริงที่หวังได้ไม่จะฝันอย่างเพอพก ฟันไปโอ้เรามันจะเป็นจริงได้หรือเปล่าอยู่ไหนกี่คนอ่าไอ้นี่มันมีนะมีตัวตนบุคคลอยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันอ่ะจะมาพูดทุกวันนี้นะพูดอย่างสบายใจพูดอย่างมีสิ่งรองรับพูดแล้วก็เป็นไปก็ค่อยเป็นไปเราพัฒนากันเรื่อยไปกลุ่มหมู่ก็มากขึ้นก็สรุปนะสรุปได้ว่าที่ทํางานาศาสนามาในทุกวันนี้เนี่ยเรา ปูกกันอย่างอดดีอดดีหน่อยนะเราก็ต้องปลูกฝังลงไปจะต้องปลูกฝังตัวเราเองแต่ละคนนี่แหละเป็นตัวที่จะเป็นเชื้อของการปลูกฝังแล้วมันจะได้ไปอีกข้างหน้าจนกว่าจะถึงสองพันไม่ใช่สองพันไปอีกสองพันกว่าปีเกือบ 2,500 นันอไปถึง 5,000 ปีอะไรเนี่ยมันจนกว่าจะเป็นเช่นนั้นอย่างนั้นจริงๆนะ บางคนเขาบอกว่าไอห้าพันปีเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเองหรอกพูดกันไปเป็นเรื่องอะไรอะไรไปทางนั้นอย่งนั้นก็ฉันก็เถอะเพราะว่าพยากรณสิ่งนี้พยากรณมาไว้เยอะหลาย ห, ายหายอันบางอย่างบางอันจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้พยากรณ์แต่ผู้รู้ผู้ที่เป็น เ, เป็นปราฏิเท้เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแท้พยากร์แทนพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ใช่ว่าพยากรอย่างงมงายมันมีจริงเหมือนกันมีจริงนะผู้พยากร์ไว้ ในระดับไม่ใช่พระพุทธเจ้าพยากรณ์จริงแต่ก็เป็นพระอริยะเป็นพระอริยะเป็นปราผูประเสริฐแท้จริงๆด้วยจิตบริสุทธิ์ไม่ใช่พยากรณ์เล่นพยากรณ์เพื่อให้รู้ว่าควรจะเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ก็มีอยู่จริงนะอาระตรมาคิดว่า4ี่โมงสิบภากเขาคิดว่าอยากจะเทสักเท่านี้นะเราก็ได้ยำ้ำในสิ่งที่ควรจะย้ำแล้วนะบอกกันซ้ำอีก ว่าเราเองเราจะต้องเข้าใจความจริงพวกนี้ให้ชัดเจนแล้วเราก็เป็นตัวที่โลกจะได้พึ่งเป็นตัวที่เราจะต้องเอาจริงบอกแล้วก็พวกเรานี่แหละจะได้ปลูกฝังอะไรแต่อเอาไว้เพื่อที่จะได้เป็นที่พึ่งของโลกเขาในอนาคตที่พึ่งกับทั้งตัวเราที่จะปฏิบัติคุณธรรมไม่ใช่ที่พึ่งอย่างปลอมๆไม่ใช่ที่พึ่งปเปลือกๆแต่รวมกันทุกคนมีส่วน ทุกคนมีส่วนคนละเล็กคนละน้อยคนละมากก็ยิ่งดีแล้วมันจะรวมกันมันจึงจะเป็นกําลังมันจึงจะเป็นสิ่งที่เป็นริดเป็นแรงที่โลกเขาจะได้ใช้ได้ดังที่อาตมาได้พูดไปจะต้องทําให้โลกเขาได้รับได้จนคนตาบอดเห็นได้นั่นแหละมันถึงจะเพียงพอไม่งั้นริดเด็กของธรรมริดไม่เพียงพอเอาแล้วสำหรับวันนี้พอแค่นี้